ท่านฟังที่เคารพคะ่ะติดตามรับฟังกันมาตั้งแต่ตอนต้นของรายการได้ทั้งการฝึกปฏิบัติหรือการปฏิบัติได้ฟังพุทธวจนะตอนนี้เราก็จะได้ฟังพุทธวจนะในลักษณะหนึ่งเป็นการนำออกมาตอบคำถามที่ได้มีถามขึ้นมากับพระพบูบุญอภิปุโนวัดป่าดอนไฮโซอุดรธานีนะคะนักศึกษาทั้งคะเชิญปาน ท่านพูบนคะพูดถึงคำว่าความรู้เนี่ยก็มีคนสงสัยกันพอสมควรทีเดียวนะคะว่ารู้เท่าไหร่มันถึงจะพ อ, อสำหรับความรู้ในพระพุทธศาสนานะคะหรือว่าไอ้ที่ว่ารู้เนี่ยอะไรคือรู้อพอจะตอบให้พวกเราได้ สว่างมากขึ้นได้ไหมคะสมัยก่อนตอนที่อาตมาเป็นคราวาตนะคุณโยมเตียว น, นี้เป็นประสบการณ์โดยตรงของเราเองเราก็พยายามจะแสวงหาความรู้นะเราเพื่อที่จะให้มีความรู้มากขึ้นนะเพื่อที่จะประกอบกิจการงานหน้าที่ต่างๆให้มันดีมากขึ้นแล้วนะเราก็าไปอ่านหนังสืออ่านหนังสือเล่มนี้แล้วก็ไปอ่านหนังสือเล่มนั้นอ่านเสร็จแล้วก็ทําให้ความรู้ของเราเนี่ยจากที่เดิมเนี่ยก่อนอาจจะเท่าลูกมะนาวนะข้างในคือสิ่งที่เรารู้ ข้างนอกคือสิ่งที่เราไม่รู้ใช่ไหมเพราะเราอ่านหนังสือมากขึ้นความรู้ของเราก็จะโตมาเท่าลูกแอปเปิลนะก็ใหญ่ขึ้นมาหน่อยใช่ไหม mm. ข้างในคือสิ่งที่เรารู้ข้างนอกคือสิ่งที่เราไม่รู้แล้วเราก็อ่านหนัง <S 2> <S 2> สือขึ้นมาอีกอ่านหนังสืออีกไปสัมมนาไปเรียนหลักสูตรปริญญาโทอะไรกันต่างๆก็ว่าไปทาให้ความรู้ของเราเนี่ยจากลูกแอปเปิลเนี่ยมาเป็นลูกส้มโอนะข้างในคือสิ่งที่เรารู้ข้างนอกคือสิ่งที่เราไม่รูนะ้แต่ว่าลูกส้มโอเนี่ยพื้นผิวของมันเนี่ย มากกว่าลูกแอปเปิลถูกไหม <Okay. S 1> ทำให้เราพบว่าเฮ้ยเรายังไม่รู้อีกตั้งเยอะเนะเพราะว่าสัมผัสกับสิ่งที่เรายังไม่รู้ตั้งเยอะถูกไหม <c oughs> คือพื้นผิวของความรู้ของเราเนี่ยทำให้เราสัมผัสกับสิ่งที่เรายังไม่รู้เนี่ยมากขึ้นทาให้เรารู้ว่าโอ้ oh, ยังมีอีกตั้งหลายอย่างที่เรายังไม่รู้ <Okay. S 1> งั้นเราทํำยังไงเราก็ไปศึกษาต่อไปเรียนต่อต่างประเทศคุยกับคนนั้น เ, เรียนสัมนาไปลงคอร์สภาคขั้มตรงนี้แต่ทาให้ความรู้จากลูกส้มโอเนี่ยมาเป็นลูกแตงโม <Okay. S 1> แตแโม ล, ลูกใหญ่ๆ ข้างในคือสิ่งที่เรารู้ข้างนอกคือสิ่งที่เราไม่รู้เราก็พบว่าเรายิ่งมีความรู้มากเนี่ยทําให้เราสัมผัสกับสิ่งที่เรายังไม่รู้มากขึ้นอีกแล้วถามว่าอย่างนี้มันจะไปจบที่ไหนเพราะว่ายิ่งใหญ่ขึ้นเท่าไหร่เนี่ยยิ่งรู้มากเท่าไหร่เนี่ยเราพบว่าเราไม่รู้มากขึ้นเท่านั้นอือเป็นอย่า ง, งานาั้นไปเราจะจบไหมคะเนี่ยในเวลาไม่กี่นาทีเพราะรู้สึกมันยิ่งใหญ่ขึ้นทุกทีอะค่ะใช่เพราะฉะนั้นความรู้ของพระเจ้าตรงเนี้ยคือแทนที่จะแสวงหาภายนอกใช่ไหมจึงรู้ในภายใน พอเรามาบวชแล้วเราพบว่าอ้าวไอ้ที่เราไปแสวงหานี่มันภายนอกนี่นะเรามารู้ภายในดีกว่ารู้ภายในคือรู้เรื่องอะไรคือรู้เรื่องของจิตพระพุทธเจบอกว่ารู้ทำแม้เพียงบทเดียวนะคนที่บอกว่ารู้รู้เนี่ยรู้มากเนี่ยคือพระหูสูตรใช่ไหมค่ะรู้มากรู้ดีรู้แบบละเอียดเนี่ยคือพระหูสูตรพระหูสูตรเป็นยังไงรู้ทำบทเดียวพอแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนะปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่อันนี้ชื่อว่าเป็นพระหูสูตร บทนี้เดียวได้นะคะใช่บทไหนก็ได้เอาอย่างเช่นว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราบทนี้ก็ได้หรือจะเป็นบทที่ว่าสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาก็ได้นะหรือว่าอาจจะบอกว่าปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นสมหวังนั่นเป็นความทุกข์เอาบทนี้ก็ได้ขอสัก บ, บทเดียวค่ะทีนี้พอท่านยกตัวอย่างบทที่ส่วนใหญ่จะไม่เคยคุ้นเคยนะคะหรืออา่า อาจจะคุ้นเคยบ้างแต่มันไม่เหมือนกับอย่างสีเนี่ยมืดมากเลยสูติรู้แค่สีเนี้ยค่ะท่านคะแล้วปฏิบัติ ต, ตามธรรมเนี่ยจะเป็นพหูสูตรได้ไหมคะโอ้ได้สิเพราะว่าสีเป็นไปเพื่อความไม่ร้อนใจนะความไม่ร้อนใจพอเราไม่ร้อนใจเราจะเป็นไปเพื่อความปีติปีติแล้วจะเป็นไปเพื่อความปรามโมดปรามโมดจะเป็นไปเพื่อความสุขความสุขแล้วจะมีสมาธิมีสมาธิจะเห็นตามที่เป็นจริงเห็นตามที่เป็นจริงปล่อยวางได้ปล่อยวางได้ก็เป็นพระอรหันตรงนั้นเลย ก็จะเป็นไปตามลำดับลาดับอย่างนี้ค่ะคือก็พูดมาถึงตอนนี้ฉันขออนุญาตพูดแท่อีกนิดนึงนะคะว่าเท่ากับว่าพระพุทธองค์เนี่ยก็จัดว่าอยู่ในประเภทคนที่ได้รับการศึกษาหาความรู้มาจนกระทั่งได้รู้ว่าเรียนรู้โลกภายนอกเนี่ยเรียนแล้วมันยิ่งมีปัญหาให้ต้องไปแสวงหาความรู้ต่อใช่แล้วก็เลยมาแสวงหาความรู้จัก ใ, ใช่ไม่จบคือคือ <จน S 1> เรียนภายนอกจะไม่จบนะจนได้พบว่าถ้าเรียนภายในเนี่ยรู้ทําข้อเดียวก็พอแล้วใช่ถ้ามันมันน้อยจังอะคะท่านคะคือผลมันใหญ่แต่ว่ามันดูเหมือนลงทุนน้อยอ่ะค่ะอืมอ๋อลงทุนตรงนี้คืออะไรคือการปฏิบัติไงคุณยมติวคือรู้เนี่ยกับปฏิบัติเนี่ยมันมันไม่เหมือนกันนะคืออย่างที่เรารู้รู้เนี่ย มันจะไม่ได้เรียกว่ารู้หรอกมันเรียกว่าจําได้เฉยๆคือคุณจําได้เฉยๆแต่คุณไม่รู้จริงๆคืออย่างเวลาอริยสัจเนี่ยพระเจ้าพูดถึงรู้ของอริยสัจเนี่ยคือมันรู้ด้วยต้องการปฏิบัติไปในตัวอย่างเช่นว่ารู้เรื่องทุกข์อย่างเงี้ยคุณต้องรู้นะว่าสิ่งนี้เป็นทุกขนะ์คือรู้ว่าทุกข์มีอยูนะ่อันนี้คือข้อที่1ข้อที่2คือต้องรู้ว่าทุกข์เนี่ยเป็นสิ่งที่ควรทําให้แจ้งและอันที่3มเนี่ยเราได้ทําให้แจ้งแล้วเพนะราะฉะนั้นมันจะ เป็นความรู้ในจิตที่เกิดจากการปฏิบัติไม่ใช่จำได้น ะ, ะเพราะฉะนั้นเราจะเปลี่ยนจากความจำเป็นความรู้คุณต้องปฏิบัติปฏิบัติตรงนี้แหละคือสิ่งที่คุณต้องลงทนุนปฏิบัติทางจิตตรงนี้ต้องทายัางไงบ้างเาคุณต้องอยู่ในเสนาสนะที่หลีกเล้นนะรับอาหารอ่านปอประมาณนะแล้วก็ไม่สูงซิงกอรใครมากสมรวมอินซีมีความเพียนนะนอนยามเดียว เอ่อพวกนี้หลายๆอย่างก็จะช่วยทําให้การปฏิบัติของเราดีขึ้นได้ค่ะก็คือว่ารู้แบบนี้รู้จากการปฏิบัติไม่ใช่รู้จากการไปจําความรู้ของคนอื่นเข้ามาจําได้เฉยๆนี่เขาไม่เรียกรู้ค่ ะ, ะแล้วก็ทีนี้พอรู้ถ้านบอกว่าปฏิบัติปฏิบัติไปแล้วรู้อะไรอะคะท่านคะปฏิบัติไปเราจะรู้ว่ารู้อรอยิยสัจสี่ไง รู้เรียสัต ส, สี่ว่ารู้ว่านี้เป็นทุกข์หรือว่านี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ <c oughs> <c oughs> คือรู้ในที่นี้เนี่ยนะก็คือว่าความรู้ในวิมุตต์นั่นแหละจะพูดง่ายๆเอาค <c oughs> ่ะรู้ว่าวิมุตตเป็นอย่างนี้นะก็คือรู้ของนิโรธใช่ไหม <c oughs> ว่าว่าเรานิโรธคือความดับไม่เหลือของทุกข์เนี่ยเราทำให้แจ้งแล้วท่านคะงั้นเท่ากับว่าถ้าสมมติคนที่ พอฟังแค่นี้รู้ทําบทเดียวเลยอมีเกิดมีดับสมมติมนะหรือว่ารู้เรื่องรู้รู้เรื่องศีลอพอนํำมาไปสู่การปฏิบัติแล้วทําไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆก็จะเข้าใจไปเองรู้แบบเข้าใจกระจางไปเองในเรื่องของว่าทุกข์คืออะไรอคือความรู้ก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นถูกต้องจะปรากฏเองถูกต้องถูกต้องคือคือรู้ตรงเนี้นะพระพุทธเจ้า บ, บอกว่าอย่างนี้บอกว่า อย่างเช่นพูดถึงเรื่องตันหาเพราะความจางคลายดับไปไม่เหลือของตันหาความจางคลายดับไปไม่เหลือของอวิชชาเป็นต้นคือมันจะค่อยๆจางคลายไปแล้วก็ดับไปแล้วจนไม่เหลือลเพะฉะนั้นความรู้เนี่ยก็จะค่อยๆกระจางขึ้นมานะจากที่ว่าบางทีเราเจออะไรเราก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์เป็นเดือบเป็นร้อนไปหมดเลยบ้านเมือง เ, ออเราปฏิบัติไ ป, บบไปเรื่องนี้อาจเราอาจจะไม่ทุกข์ <Okay. S 1> เรื่องอาจจะทุกข์แค่3มเรื่อง อีกเจ็เรื่องเลิกทุกไปแล้วเพราะรู้แล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องของเราอย่างนี้เป็นต้นนะก็แสดงว่าคุณรู้ว่าเจ็อย่างนั้นนะ่ะโอเคคุณมีความรู้ในเจ็อย่างนั้นละและอย่างที่ท่านพูดว่ารู้ตามที่เป็นจริงอย่างนั้นคะ่ะเห็นตามที่เป็นจริงค่ะอ๋อเห็นตามที่เป็นจริงกับรู้ตามที่เป็นจริงมีไหมค ะ, ะรู้ตามที่เป็นจริงจะใช้บทปัญชนะนั้นได้ไหมก็คิดว่าได้อยู่นะ รู้ตามที่เป็นจริงก็คือเห็นมันโดยความเป็นของไม่เที่ยงอ่าไม่ใช่ตัวตนของเราอันนี้คือเห็นตามที่เป็นจริงค่ะคือที่ที่ฉันเรียนฐานอย่างนี้เพราะว่าในความที่ศึกษาไปศึกษาไปเราจะได้ยินประโยคแบบนี้ทีนี้พอเป็นประโยคแบบนี้ปุ๊บเรามาคิดต่อ ว่าหมายความว่าขณะที่ปฏิบัติเนี่ยมันปรากฏอะไรขึ้นมาก็รู้อย่างที่ปรากฏขึ้นมามไม่ต้องไปคิดว่าเอ๊ะมันใช่อย่างนั้นหรือเปล่าใช่อย่างนี้หรือเปล่าถูกต้องรู้แล้วก็รู้ในที่นี้คือคือรับรู้ใช่ไหมรับรู้กับรู้เนี่ยไม่เหมือนกันนะคือรับรู้ ว, ว่าเออมีอันนี้ขึ้นมาแล้วรู้ตามที่เป็นจริงก็คือว่าเอางั้นปล่อยวางซะรับรู้แล้วปล่อยวาง ซึ่งซภาษาตัวนี้มันจะกำกวมนิดหนึ่งมันจะใช้สับสนกันนะอย่างคำว่ารับรู้เนี่ยคือเราค็อกไนส์คือเราเราไปรับทราบรับรู้นี่คือรับทราบนะแต่รู้ในที่นี้ที่พระเจ้าพูดถึงเนี่ยคือความเห็นตามที่เป็นจริงแล้วปล่อยวางได้นี่คืาเรียกว่ารู้เพราะฉะนั้นถ้าคุณแค่รับรู้เฉยๆยังไม่รู้ตามที่เป็นจริงคุณจะยังปล่อยวางไม่ได้่ก็ถ้า ในเวลาที่เหลืออยู่ที่ฉันก็กลัวว่าเดี๋ยวจะยิ่งไม่ได้ขโมดความรู้ที่เราได้กราบเรียนถามท่านไทบูในวันนี้อยากจะให้ท่านช่วยสรุปประคาว่าวันนี้เนี่ยถ้าพูดกถึงเรื่องความรู้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้รู้อะไรไปเท่าไหร่เพียงใดค่ะพูดถึงเรื่องความรู้ที่ท่านผู้ฟังได้รู้ในวันนี้นะก็คือว่ารู้ว่ามันไม่มีอะไรเป็นของเราอันนี้ถึงเรียกว่ารู้ตามที่เป็นจริงเราต้องรู้แค่นี้เอง จะรู้อย่างนี้ได้คุณต้องปฏิบัตินะปฏิบัติทุกรูปแบบปฏิบัติทุกขณะจิตปฏิบัติตลอดเวลาปฏิบัติทุกลหมหายใจอันนี้ก็ชื่อว่าจะไปได้เราเรารู้แค่นี้เองเพราะฉะนั้นเราจะรู้ตรงนั้นได้เนี่ยคุณสร้างเหตุให้ถูกเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงจะมาโฟกัสที่เหตุนะการสร้างเหตุกระบวนการก็จะเป็นไปโดยอัตโนมัติอย่างที่คุณเบิร์ติวพูดถึงเรื่องศีลนะเราสร้างเหตุตรงนี้ถูกต้องกระบวนการก็เป็นไปโดยอัตโนมัติเลย นะคะ<อ>น้นเนี่ยก็ฝากกันเอาไว้ก็แล้วกันว่าในเมื่อเราเป็นชาวพุทธแล้วเราก็ควรจะรู้ว่าพระาศาสดานั้นสอนว่าเราต้องรู้อะไร อ, อย่างถูกต้องแล้วก็ที่ท่านจะฝากสำหรับช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าในวันนี้นี่จะเป็นฝากอะ<บ>ไรคะ บ, บทเพลงฉะนัที่ได้พูดไปเมื่อตอนต้นรายการว่าสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดา อือันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เจนในสอขสได้นะเพื่อพรวันให้เขามีความสุขแล้วก็ใส่ตรงนี้เอาไว้ท่านคะ อ, อยากเรียนถามอีกอย่างหนึ่งที่ฉันสังเกตว่าคือตอนแรกก็ไม่ได้สังเกตแล้วมีคนบอกบอกว่ารู้ไม่เวลาก็สร้างพระเนี่ยอืที่เขาเขียนเอาไว้ข้างหลังพระเนี่ยพระเครื่องอะไรี้นะคะเขาชอบเขียนเรื่องมีเกิดแล้วมีดับอย่างเงี้ยจริงหรือเปล่าคะไม่ทราบนะแต่ว่าไม่ทราบ อ๋อเลยค่ะคะือเรื่องพระเครื่องนี่พระเจ้าก็ไม่ได้มีพระวจนะที่พูดถึงตรงนี้่ะนะค่ะเพราะงั้นก็เลยจะไม่ทราบข้อมูลตรงนี้อ๋อครับมีเพื่อนคนหนึ่งค่ะก็บอกบอกว่าเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมีการนิยมที่จะเขียนอธรรมะในข้อเนี้ยอืเอาไว้เหมือนกับว่าจะบอกว่าเนี่ยเป็นหลักธรรมที่ใหญ่ที่สุดของระศาสดาออื แล้วใช่ไหมคะเรื่องของเกิดดับเนี่ยเป็ น, น, ปนหลัก ท, ที่สำคัญที่สุดแล้วอ่าเป็นข้อธรรมเป็นคาถาคือหลักธรรมที่สําคัญที่สุดของคําสอนพระเจ้าคือเรื่องอริสัตยีน ะ, ะให้มีเกิดมีดับก็อย่างว่า ก, ก, ก็ถูกต้องอยู่นะคะค่ ะ, คะเพราะฉะนั้นวันนี้ที่ฝากเอาไว้จะไปใช้ในการวอวยพรหรือให้ของขวัญทั้งตัวเองและคนอื่นในช่วงปีใหม่ก็คือให้เข้าใจหลักธรรมที่ถูกต้องสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาถูกต้อง ะะแล้วก็คงจะต้องดําลาพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโนโในวันนี้ที่สถานีวิทยุครอบครัวข่าวเอฟเอ้อกันแต่เพียงเท่านี้นก่อนนะคะท่านไพบุญนั้นมีรายการประจําอยู่ที่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในเวลาเดียวกับรายการนี้นะคะคือตีห้าถึงตีห้าครึ่งทุกวันดังนั้นท่านก็สามารถติดตามรับฟังกันได้อีกแห่งหนึ่งด้วยค่ะวันนี้น้ำมันส ก, การขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะเชนพาน การท่านฟัง ท, ที่ครบค่ะสำหรับรายการของเรานะคะสัมมีสอนธนาก็เป็นลักษณะเฉพาะคือจะเป็นการสอนทนาธรรมด้วยเป็นการที่จะมีให้ปฏิบัติธรรมในช่วงต้นของรายการด้วยให้ฟังพระสูตรเต็มๆด้วยใส่เข้าไปหมดเลยนะคะในทุกอย่างที่อยากให้ท่านได้รับไปเพราะเราก็มีเวลาแค่นี้แต่ต้องการเนื้อหาที่ให้ท่านได้ไดกําไรมากที่สุดเป็นความตั้งใจที่จะมอบให้นะคะติดตามรับฟัง ในส่วนของสั่นสนีสนธนากันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะตีห้าถึงตีห้าครึ่งเรามีพุททวัจนะที่ท่านอาจารย์คึกฤทธิ์สทธิพโลท่านเจ้าวาดวัดนาปะกพงลำลูกกาคลองสิบท่านมอบให้กับพวกเรามาเป็นหนังสือที่ซื้อหาที่ไหนก็ไม่ได้นะคะวันละสามเล่มสำหรับคนที่โทรมาที่ 02-269-00-06 ค่ะแล้วก็คำถามที่ส่งมาที่รายการนี้ ท่านสามารถส่งทั้งที่เบอร์022690006แล้วก็ส่งไปที่เพลทธรรม a .com/106 ก็ได้ขอให้สาราทิต์นี้เป็นสาราทิต์ที่ท่านได้มีเวลานะคะที่จะฝึกปฏิบัติธรรมะตามพุทธวจนะกันเพื่อความก้าวหน้าแล้วก็เพื่อความสวัสดีของชีวิตนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าพุทธวัตรสวัสดีค่ะ